รักบรรดานิทานสีขาวนะคะเรื่องไม้เรียวของคุณครูนักเรียนห้องปอ .4 ทับสามของโรงเรียนแห่งหนึ่งกำลังสอบปลายภาควิชาคณิตศาสตร์โดยมีคุณครูจีราซึ่งสอนวิชานี้ด้วยเป็นผู้คุมสอบระหว่างที่กำลังคุมสอบอยู่นั้นจู่ๆคุณครูจีราก็รู้สึกปวดท้องมากเธอจึงจำต้องทิ้นนักเรียนไปห้องน้า อย่างไรก็ตามคุณครูจิราเชื่อใจนักเรียนของเธอและคิดว่าจะไม่มีเด็กคนไหนลอกข้อสอบอย่างแน่นอนแม้ว่าเธอจะไม่ได้อยู่คุมสอบก็ตามเย็นวันนั้นในห้องพักครูคุณครูจิราก็ได้นำข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นป .4 ทับ3ออกมาตรวจผลปรากฏว่านักเรียนทุกคนทาคะแนนได้เท่ากันและผิดถูกในข้อที่เหมือนกันด้วย คุณครูจีรานึกสงสัยว่านักเรียนของเธออาจจะลอกข้อสอบกันในช่วงที่เธอไปค้องน้ำแต่ก็ยังไม่อยากดูถูกเด็ก ด, ดังนั้นครูจีราจึงกลับไปดูในข้อที่นักเรียนต้องแสดงวิธีทำและปรากฏว่านักเรียนทุกคนใส่ตัวเลขที่ผิดเป็นตัวเลขเดียวเหมือนกันหมดทุกคนเลยคุณครูจีรารู้สึกเหมือนถูกบีบรัดหัวใจนักเรียนของเธอลอกข้อสอบกันจริงๆ รุ่งขึ้นคุณครูจิราเดินเข้าไปในห้องปอ .4 ทับ3และบอกนักเรียนถึงสาเหตุที่ทำให้เธอคิดว่านักเรียนในห้องนี้ลอกข้อสอบกันพร้อมกับถามนักเรียนของเธอว่าพวกเธอลอกข้อสอบกันหรือเปล่าพวกนักเรียนต่างปฏิเสธกันยกใหญ่ทุกคนยืนกรานว่าได้ทำข้อสอบทุกข้อด้วยตนเองและไม่ได้ลอกเพื่อน คุณครูจีราจึงเรียกนักเรียนขึ้นถามทีละคนและคําตอบของทุกคนก็เหมือนเดิมคือหนูทําเองค่ะหนูไม่ได้ลอกใครผมก็ทําเองนะครับผมก็ไม่ได้ลอกใครเหมือนกันคุณครูจีรากวาดตามองนักเรียนของเธอไปทั่วห้องก่อนจะหยิบไม้เรียวขึ้นมาพวกนักเรียนต่างสะดุง้งเด็กคนหนึ่งร้องขึ้นมาว่า ถึงคุณครูจะตีพวกเราพวกเราก็ยังยืนยันว่าเราไม่ได้ลอกข้อสอบกันเพราะเราทําข้อสอบด้วยตัวเองจริงๆคุณครูจีรายิ้มน้อยๆให้นักเรียนคนนั้นแต่ไม่ได้พูดอะไรเธอยกไม้เรียวขึ้นแล้วฟาดลงมาที่มือของตัวเองอย่างเต็มแรงนักเรียนในห้องหวีดร้องด้วยความตกใจครูไม่ตีพวกเธอหรอครูจิราพูดน้ําตาคลอเบ้าพวกเธอไม่ผิด ที่ลอกข้อสอบกันครูตังหาก์ล่ะที่ผิดเพราะครูสอนนักเรียนไม่ดีนักเรียนของครูจึงเป็นคนดีไม่ได้ครูขอโทษ ด, ด้วยที่ลืมใส่คุณค่าความเป็นมนุษย์ลงไปในเวลาสอนนักเรียนของครูจึงลอกข้อสอบกันและไม่ยอมรับความผิดของตัวเองพูดจบคุณครูจีลากุ้หัวดไมเรียวลงมาที่มือของต้นอีกหลายครั้งจนมือของเธอแดงช้ำไปหมด นักเรียนทนดูต่อไปไม่ไหวในที่สุดก็กระโดดออกมาหน้าชั้นแล้วช่วยกันแย่งไม้เรียวไปจากมือของคุณครูจิราพวกเรายอมรับแล้วค่ะคุณครูพวกเราแอบลอกข้อสอบกันตอนที่คุณครูไปเข้าห้องน้ำจริงๆเด็กหญิงคนหนึ่งยอมสารภาพในที่สุดและคนอื่นๆก็สารภาพตามจนหมดห้องคุณครูอย่าตีตัวเองอีกเลยนะครับลงโทษพวกเราเถอะพวกเราต่างหากที่ผิด คเราสัญญาว่าต่อไปนี้จะไม่ทำอย่างนี้อีกแล้วครับนักเรียนทุกคนเข้าสวมกอดคุณครูจิราครูและลูกศิษย์ต่างพากันร้องไห้ยกใหญ่ถ้าพวกเธอสํานึกได้อย่างนี้และสัญญาว่าจะเป็นคนซื่อสัตย์ไม่ลอกข้อสอบหรือทำตัวคดโกงอีกครูก็คงไม่จำเป็นต้องลงโทษอะไรพวกเธอจำไว้เถิดว่าคนเรา เกิดมาทั้งทีต้องยึดมั่นในคุณธรรมความดีงามสิ่งนี้ต่างหากละ่ะที่สําคัญยิ่งกว่าอะไรทั้งหมดนักเรียนทุกคนก้มลงกราบที่ตักของคุณครูจิราพร้อมกันเพราะเขาคงต้องทำข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ชุดใหม่อีกครั้งแต่ครั้งนี้จะไม่มีใครลอกข้อสอบของใครอย่างแน่นอนเธอทั้งหลาย ไม่น่าไม่น่าแปลกใจเลยที่ทุกวันนี้เด็กๆของเราอยากจะเป็นเด็กเก่งมากกว่าเด็กดีเพราะไม่ว่าจะทำอะไรเด็กเก่งมักจะได้รับคำชื่นชมยกย่องจากพ่อแม่และสังคมรอบข้างอยู่เสมอในขณะที่เด็กดีกลับถูกมองข้ามและไม่มีใครให้ความสำคัญกับเขาเท่าที่ควรคนเป็นพ่อแม่มักคิดว่าการศึกษา จะช่วยให้อนาคตของลูกๆสดใสจึงพยายามสรรหาโรงเรียนดีๆและคุณครูเก่งๆมาสอนลูกแต่พวกเขาลืมคิดไปจริงๆว่าแท้ที่จริงแล้วการศึกษาก็มีอยู่สองแบบคือการศึกษาที่ดีและการศึกษาที่เลว็วการศึกษาที่ดีจะสอนให้เด็กรู้จักกับคุณธรรมและยึดมั่นในความดีงามอยู่เสมอแต่การศึกษาที่เลว จะยัดเยียดความเป็นคนเก่งที่รักการเอาชนะและคิดแต่จะชิงดีชิงเด่นกับคนอื่นความสำคัญอยู่ตรงที่เด็กประเภทแรกจะเติบโตเป็นคนดีทำให้โลกน่าอยู่ไม่ว่าจะทําอะไรเขาก็จะคิดถึงส่วนรวมมากกว่าตนเองแต่ก็ยังมีชีวิตอยู่อย่างเป็นสุขได้ในขณะที่เด็กประเภทหลังซึ่งได้รับการศึกษาอย่างเลว จะทำลายความน่าอยู่นั้นด้วยนิสัยเห็นแกตัวที่มีมาแต่เล็กแต่น้อยนอกจากนั้นก็ยังต้องดิ้นรนแข่งขันเบียดเบียนคนอื่นเพื่อแย่งเอาสิ่งต่างๆที่ต้องการมาเป็นของตัวอย่างไม่มีวันจบสิ้นซึ่งนั่นหมายความว่าเด็กที่น่าสงสารคนนั้นอาจจะไม่ได้รู้จักกับความสุขเลยจนตลอดชีวิตของเขาเอง